โไทไขแสงกล้แจ้งแล้วฝูมิหกร้องเจื้อแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาอูปักษาอย่างขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาพระธรรมองค์สัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นน้อยนัก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 วันนี้มาแปลกท้องกรเสียงปลุกรับบอลุณปกติอัลบาไม่ท่องเพราะว่าฝนตกตลอดไม่ฝนตกก็ฟ้าปิดวันนี้ก่อนที่จะมาทาวัดเนี่ยดูแล้วฟ้าเปิดดวงดาวไหลประยับแล้วมีแสงจันด้วยบรรยากาศก็เป็นไปแบบหนึ่งช่วงนี้ถ้าเราติดตามข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยจะจะมีข่าวน้ำท่วม ก็จะเป็นชัยภูมิโคลลาที่ท่วมหนักข่าวโควิดก็ซาๆาลงไปเป็นเรื่องธรรมดาชาวชัยภูมิก็เดือดร้อนทุกลังกายทุกท้องใจอย่างตัวรมเองหลังจากฝนตกมาหลายวันเนี่ยผ้าก็บางทีก็ไม่ได้ซักถึงซักก็ตากแบบขอไปทีตากในล่มไม่แห้งพอฟ้าเปิดแดดออกเนี่ยเก็ผ้าไปตาก เราก็มีความสุขว่าโอ้โหรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าฟ้าปิดมาหลายวันเนี่ยเราเลยเห็นคุณค่าของพระอาทิตย์เลยเห็นคุณค่าของแดดเมื่อก่อนเราอยู่จนชินเราไม่เคยเห็นค่ามันหรอกอย่างตอนเนี้ชาวเฮาภูมิโคราชหรือที่น่าถูกน้ำท่วมทุกแต่บางคนก็ไม่ทุกด้วยนะบางคนก็คือไปถ่ายรูปชมวิวบนภูเขาชมทะเลหม อ, อกภาคที่ขึ้นยามเช้าหรือภาคที่ตกยามเย็นฉันชีวิตคนเราเนี่ย มันไม่ได้ทุกๆคนไงมีสุขบ้างมีทุกบ้างตามจังหวะไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ที่ยุโรปก็เริ่มไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องโควิดแล้วชาวยุโรปเนี่ยจะชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจชอบดูฟุตบอลฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลีกฟุตบอลต่างเนี่ยก็แข่งขันกันแบบไม่มีผู้ชมนะักฟุตบอลก็เตะไปสนามก็ล้างอาจารย์ว่างเปล่าหลงเหลงแต่ฤดูกาล น, นี้ไม่ใช่ละลีกใ ห, ใหญ่ไม่ใช่เป็นพรีเมียร์ลีก บูเดติกาลาติกาสเปนหรืออื่นๆที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาชมกันใ น, นสนามเลยบรรยากาศก็คึกคักแล้วเขาก็ไม่ใส่แมส์นะเขาถือว่าใครติดโควิดก็รักษากันไปเขาก็บนใจในวัคซีนหรือยาดีชาวยุโรปตอนนี้ก็เริ่มมีความสุขแล้วมีความสุขหมายถึงบอลที่ทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะนะแต่ถ้าบอลที่ตัวเองเชียร์แล้วแพ้เนี่ยบางทีร้องไห้น้ำตาไหลก็มี อันนี้ก็มีเรื่องดราม่าในสนามก็ไม่ได้หมายความว่าชมฟุตบอลจะมีความสุขทุกคนมันก็เหมือนกับเหมือนกับเนี่ยโลกนี้เหมือนคือละครนะนมาดูแล้วทำให้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งเพลงนี้ชื่อว่าโลกนี้คือละครแต่งโดยคยรูไพบุตรขันครูไพบุตรขันเนี่ยถือว่าเป็นขีตากวีของประเทศไทยเลยมีพรสวรรค์นในการแต่งเพลง ได้ถึงอารมณ์เพลงแล้วก็ภาษาที่สัมผัสกันตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคนแบบครูไพบูลดูดขันเนี่ยแต่ชีวิตแกก็อาพับนะเพราะครูไพบูลเนี่ยเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแกก็ต้องอยู่แบบหลบซ่อนบางทีก็แต่งเพลงหาเงินรักษาตัวเองอย่างเพลงโลกนี้คือละครเนี่ย ก็แต่งตอนที่ตัวเองเนี่ยเป็นโลกสะเก็ดเงินชีวิตตอนนั้นทุกข์มากเนื้อเพลงก็โลกนี้นี่ดูยิ่งดูยอกย้อนเปรียบเหมือนละครถึงบทเมื่อตอนเล้าใจบทบาทลีลาแตกต่างกันไปถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกันเกิดมาต้องตายร่างกายผุพัง ผู้คนเขาช่างคิดยิ่งระวังไหวหวั่นต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกันถือผิวชังพันบ้างเหยียบย่ำกันเหลือเกินโลกนี้คือละครบทบาทบางตอนชีวิตยอกย้อนยับเยินชีวิตบางคนลุ่งเรืองจาเลินแสนเพลินเหมือนเดินอยู่บนขนทางวิมานโลกนี้นี่ดูยิ่งดูเศร้าใจ ชั่วชีวิตไวหมุนเปลี่ยนผันไปเหมือนม่านเปิดฉากเลื่องลองผุดพองตะการคั้นแล้วไม่นานปิดม่านเป็นความเศร้าใจถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยชีวิตคนเราก็เหมือนกับละครแต่ละครจะมีบทบาทแตกต่างกันไปเมื่อจะเป็นความรู้ความสามารถพรสวรรค์บางคนไปเด่นด้านอีกด้านหนึ่งบางคนก็เด่นอีกด้านหนึ่งคือส่วนที่เด่นอีกด้านอีกคนหนึ่งก็จะขาดไป แต่ทุกคนเติมเต็มได้เติมเต็มให้กับคนที่ขาดก็ทำให้สมดุลคนที่ร้องโลกนี้เถือคอนคนแรกบันทึกเสียงเมื่อปี 2-4-9-6 ก็คือปีชาบุญเกียรติปีชาบุญเกียรติก็อายุรุ่นเดียวกับมิชัยบัญนชาเป็นคนที่หน้านตาหล่อมีสเสน่ห์ผู้หญิงชอบเยอะตอนนั้นกาลังลุ่งโลดเลยเสียงแกก็ออกจากโบราณโบราณร้องเพลงถึงอารมณ์ เขาดังอยู่สองเพลงนะที่คนรู้จักก็ เ, เพลงขวัญใจคนจนแล้วก็โลกนี้คือละครเนะี่ยชีวิตก็เหมือนกับโลงนี้คือละครคือเขาก็ดังแต่แล้วปีชาบุญเกียรติเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยเหตุรถยนต์เนี่ยเมื่อปีสองห้ 04, าศูนย์สี่ขณะที่เบียายุแค่ยี่สิกว่าปีเองถือว่ากำลาังรุ่งเลยก็แสงให้เห็นสัตธรรมของชีวิตว่าคนเราเนี่ยรุ่งก็ดับได้ต่อให้เกิดมาหน้าตาดีรูปลอมีสาวมาชอบเยอะ ก็ไม่ได้แค่ชั่วข่าวเท่านั้นผู้พูดเนี่ยชอบดูหนังเก่าๆชอบฟังเพลงเก่าๆหนังแบบยุคชอบปาร์าเดอร์หรือหนังคาวบอยอะไรเงี้ยบางทีดาราที่รู้จักก็ตอนนี้ก็เป็นปู่เป็นตาเป็นยายบางคนตายไปแล้วส่วนใหญ่จะตายไปแล้วหมดละดาราชอบาร์เดอร์ก็เหมือนกันก็ตายไปทัส่วนใหญ่ไอ้ที่เหลือตอนนี้ก็ง่อมมากเต็มทีละก็ทําให้เราเห็นเสรีธรรมชีวิต บางคนสวยมากเลยตอนเล่าสาว โ, โหแบบดาราคนนี้เราเห็นเห็นหน้าแล้วชอบแต่ตอนแก่เป็นยายดูไม่ได้เลยหมดสภาพดาราหนังรูปลอก็เหมือนกันถ้าเห็รูป ล, อ เ, ป อ, ปลอเนี่ยตอนหนุ่มหนุมหล่อตอนแก่ก็ง่อมเลยหมดสภาพเหมือนกันไม่มีใครรักษาความหลอมสวยได้การเวลาผ่านไปก็แถแสดงเห็นสธทิมชีวิตคู่เราก็สวดมนต์พระพิฆาตปเจวเองเนี่ยบทนี้ถ้าใครพิจารดีเนี่ยฝากทุกกรลดน้อยลง ให้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีการพัดภาคสูญเสียจากของรักของชอบใจใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วอันนี้คือธรรมะที่ทำให้เราเนี่ยถ้าเราพิจารณาบ่อยบ่อยเนี่ยความทุกข์เราก็ลดลงเถ้าเรเห็นความไม่เที่ยงโลกเราเนี่ยถ้ามองใดีก็เหมือน กับโรงแรมให้เราอยู่ชั่วคราวนั่นเองเราไม่สามารถจะยืดโลกไปกับเราตลอดการได้พอเราหมดบุญหมดบาปเนี่ยก็เช็คเอาท์โลกก็ให้เราออกไปเป็นอย่างนี้แหละคนแล้วคนเล่าบ้างก็ตายด้วยเด็กบ้างก็ตายทั้งวยหลุมสาวบ้างก็ตายตอนแก่บางคนแก่แล้วยังไม่อยากตายเลยต้องนอนพังงาบพัางงาบอยู่บนเตียงติดเตียง จะตายยังตายไม่ได้เลยท่านพิจารณาบ่อยๆเราก็เห็นจะทําชีวิตอ่ะมีนิทานล้ออายุเนี่ยของสวนโบวเมื่อวานจะสนใจก็พูดถึงหรือศีสาบานวันนี้อาตมาเขาจะเล่ามาั่งเล่าเรื่องพระเจ้าสร้างโลกจะได้เข้ากับเรื่องที่เราตั้งประเด็นไว้นิทานล้ออายุเนี่ยอยันอยู่ที่โรงหนังสวนโบกนะเขามีวาดภาพ ป, ประกอบด้วยภาพประกอบนี่ก็พระพุทธก็หัวล้อเยอะเยอะคน แล้วก็มีรูปบัวรูปหมารูปลิงเริ่มเรื่องก็คือพระพรหมนำดินเหนียวมาปั้นให้ใหเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็ใส่ลมปานเข้าไปสิ่งมีชีวิตก็ไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรหรอกว่าถามพระพรมว่าตัวเองเป็นอะไรให้ทําหน้าที่อะไรพระพรมก็ให้เรียกว่าคนให้มีอายุ30ปีเรื่องทําอะไรหรอกให้อยู่แบบสุกสนานไปเรื่อยๆหลังจากสร้างคนขึ้นมาแล้ว ถ้าผมดันเป็นสัญญา ค, คนว่าให้มีชีวิตอยู่แบบสุขสนานทีนี้ก็เลยกลัวคนเนี่ยทํางานหนักจะไม่ได้สุขสนานจึงสร้างวัวขึ้นมาแล้วก็มีให้มีอายุสาสิปีเท่าคนวัวรู้ว่าเกิดมาเนี่ยต้องมารับใช้คนมาทำงานหนักให้คนแล้มีอายุต้อง30สปีเนี่ยบัวไม่ยอมนะรู้สึกว่าโดนคนเอาเปรียบจึงไปขอกับผมว่าขอลดอายุเหลือห้าสิบปีก็พอและเพราะผมก็ยอมอยอมลดอายุให้บัว ฝ่ายคนเมื่อรู้ว่าบัวเนี่ยมาขอลดอายุจึงมาขออายุของบัวเนี่ยมาเพิ่มให้ตนพระผมก็ก็ยอมคนนะพระพมเนี่ยเขเอ็นดูรักคนมากอยากได้อะไรก็ตามใจตอนนี้คนอายุสามิบปีได้อายุบัวมาอีกยี่สิบปีก็กลายเป็นห้าสิบปีพระผมก็เห็นว่าเอ๊ะมีบัวแล้วทำงานหนักบัวทำงานให้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีทรัพสมบัติกลัวคนทุกข์อีกจึงสร้างหมาขึ้นมา ให้มาช่วยเฝ้าสมบัติเฝ้าบ้านให้กับคนตัวให้หมาเนี่ยมีอายุ3าปีหมาก็ไม่ค่อยพอใจเพราะการที่มาเฝ้าบ้าให้คนต้อง30ปีจะปีนานมากรู้สึกว่ถูกคนเอาเปรียบเหมือนเดิมก็ไปขอลดอายุกับกับพระพรหมพระพรหมก็ใจดีลดอายุให้เหลือสิปีฝ่ายคนทราบข่าวคนเนี่ยโลภอยู่แล้วก็เข้าไปหาพระพมเพื่อขออายุหมามาสายอายุตนตอนแรก ห้ปีพระพรหก็ให้นะคนก็กลายไปอายุเจสิปีหลังจากสร้างหมาแล้วด้วยความรักคนพระพรหก็เห็นว่าเอ๊ะคนอาจจะเครียดได้นะจึงสร้างลิงขึ้นมาเพราะลิงเนี่ยเป็นตัวตลกขบขันโดยให้ลิงเนี่ยมีอายุสาสิปีลิงรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมามเป็นตัวตลกให้คนก็ไม่ไม่สนุกด้วยนะ่ะเพราะรู้สึกว่าสาสิปีนาน หน้าเบื่อหน้าเซ็งไม่ตลกจึงไปขอพระพรลดอายุเหมือนเดิม พ, พระพรก็ลดอายุให้คนก็โลภอยู่แล้วพอรู้ว่าลิงขอลดอายุก็ไปหาพระพรอีกไปขออายุลิงมาเป็นอายุตนพระพรก็มองหน้าคนนะแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ให้อายุลิงไปแล้วก็หัวเราะเดี๋ยวมันจะรู้สึกถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ย คนเราเนี่ยจะมีความสนุกสนานแบบเป็นชีวิตของคนคนจริงๆนะก็คือ30ปีที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคือไม่รับผิดชอบแบบผู้ใหญ่คือเป็นอายุแท้ของคนแต่หลังจาก30ปีไปเนี่ยเป็นรับอายุของวัวมาจะต้องรับผิดชอบครอบครัวทํางานหนักเพื่อสร้างอนาคตบางคนก็ทํางานหนักกลางคืน เป็นฟันกลางวานันเป็นไฟกลางคืนในวางแผนนี่จะทำอะไรพรุ่งนี้ตอนเช้ากลางวันก็เริ่มทำแล้วเพื่อทำตามความฝันให้เป็นความจริงทำให้เหน็ดเหนื่อยมากรับผิดชอบมากขั้นถึงอายุห0สิปีขึ้นไปเนี่ยก็ไปรับอายุจากหมามาก็จะเป็นมาเฝ้าเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติ คนแก่ก็จะเริ่มวิตกกังวลจุกจิกจู้จีจ้ขี้บน่นละนิสัยก็จะเริ่มเปลี่ยนเพราะเราไปรับอายุของหมามาระ ว, วงระแวงเพราะหมานี่มันขี้ระแวงมันเจอเสียงใบไม้ตกมันก็เห่าล้วเจออะไรมันก็เห่าคนก็เหมือนกันหลังจากอายุเจ็สิบปีไปเนี่ยคนก็ไปรับอายุจรกญมาอายุเจ็ดสิบปีนี่ก็ถือว่าไม่ใช่แก่อย่างเดียวนะคือมันมีความหง่อมแฝงมาด้วย ความงอมเหมือนเหมือนลูกไม้ที่ใกล้ๆจะหล่นจากต้นละงอมชราภาพเนี่ยความจําก็เริ่มจะเลอะเลือนหน้าตาก็จะชัดเจนอันนี้ตีนกาก็ลึกผมก็กอกผิวหนังเหี่ยวตกกะเรียวแรงก็ไม่ค่อยจะมีเดินก็ไม่ค่อยจะไหวบางคนหลงกินข้าวแล้วก็คิดว่าไม่ได้กินหรือปั่นๆเปือเป่อเบ อ, อเด็กๆเห็นก็ ตอราขบขันอันนี้เป็นรับอายุของลิงมาอันนี้เป็นนิทานแต่ถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยมันก็คล้ายกับชีวิตทังคนนะถ้าคนไม่มีสติเนี่ยคนแก่จะเ ล, เลอะเลือนได้น่าลืมหลังความจําเสื่อมไปตามสังขารแต่คนแก่ฉลาดก็มีถ้าฝึกสติใช้ชีวิตเป็นก็ยังมีความสุขได้อยู่เพราะอันนี้เป็นสัญญามชีวิตเลยคนเราไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมหรือสมบูรณ์แบบ เราสังเกตนะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเราเด็กๆนี่บางทีวิ่งเล่นไนดะ้ทั้งวันนะกลางคืนไม่นอนก็ได้เด็กก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่เด็กก็จะขาดเงินเพราะต้องให้พ่อแม่เลี้ยงอันนี้ก็เป็นความไม่สมบูรณ์แล้วคานเราโตไปหนุ่มสาวทํางานหาเงินได้แต่ก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่นละต่างกับเด็กเด็กมีเวลาแต่ไม่มีเงินเด็กเนี่ยร่างกายแข็งแรงด้วยมีเวลาด้วยคนหนุ่มสาวเนี่ยร่างกายแข็งแรง มีเงินแต่ไม่มีเวลาที่มาคนแก่คนแก่เนี่ยมีเงินร่างกายก็เริ่มอ่อนแอไปไหนมาไหนไม่สะดวกแล้วมีเวลาแต่สุขภาพไม่ดีขึ้นขขาลงห้วยก็ลำบากเที่ยวก็ไม่สะดกุกนั้นชีวิตคนเราจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบหาอะไรสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยบางคนก็เป็นโรคประจำตัวเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่แต่ละคนจะมีกรรมไม่เหมือนกัน บางก็ฉลาดบางก็โง่บางก็คิดแบบมีความสุขบางก็คิดซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอันนี้บางคนคุยแล้วทุกข์มากเลยมีแต่เรื่องทุกข์ๆ ก, กันแหละแต่บางคนคุยแล้วมีความสุขมีข้อคิดดีๆแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันอยู่ี่การมองโลกถ้ามองโลกเป็นคิดเป็นก็ไม่ค่อยทุกข์ไหร่ทุกข์ก็ทุกข์ทางกายป่วย เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ไปหาหมอรักษาหายบ้างไม่หายบ้างก็ไม่เป็นไรต่ใจเนี่ยเราก็ให้ทุกไม่ทุกก็ได้หรือทุกน้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับการยึดถือในสิ่งต่างๆอภัยพิบาติเจวเองเนี่ยก็ช่วยเราพิจาณาความจริงชีวิตแต่มันไม่พอนะเราจะต้องมีกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรเป็นที่สุดแห่งทุกเพราะถ้ามีกัลยาณมิตรเนี่ยหรือคบหาผู้รู้เนี่ย ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ฟังธรรมผู้รู้ในที่ดีก็เป็นผู้รู้เจ้าก็ได้ฟังธรรมจากพระพุ้รเจ้าแต่ยุคนี้ผู้รู้เจ้าปณิธานไปแล้วแล้วก็ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธานับถือเนี่ยพอฟังธรรมเรากเกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาเราจะเกิดยูดิโสมาสิกานคือพิจารณาแยกคายพอเราพิจารณาแยกคายเนี่ยเราก็เกิดสติสัมมชาชยะ มันก็ทำให้เกิดการสํารวมอินทรียนะ์ไงสำรวมอินทรีย์ในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สอดใายหาเรื่องให้ตัวเองทุกขพอเราสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันก็ทําให้กายวาจาสุจริตกายก็กายก็ดีทำดีไนงะพูดก็ดีพูดไม่บีบเบนตนเองไม่บีบเบนคนอื่นพูดอะไรที่เป็นมงคลพูดอะไรที่เกิดประโยชน์คิดดีคิดดีก็คือ ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการครบผู้รู้เนี่ยจึงสําคัญมากเลยกรยามิตรเนี่ยถ้าเราจะต้องพิจารณาพิจารณประเวทแล้วก็คบกรยามิตรอย่างธรรมะของอาจารย์ไปสารช่วงก่อนหันชาวเนี่ยถ้าใครฟังดีๆเนี่ยเกิดประโยชน์กับชีวิตมากเลยนะอย่างเรื่องวางเหตุผลลงบ้างเนี่ยไอ้ที่ผัวเมียทะเลาะกันน่ยหลายคู่ต้องเลิกกันเพราะว่าไอ้เมียจะเอาชนะหรือผัวจะชนะต้องเลิกกันแบบเรื่อมไม่เป็นเรื่องเพราะจะเอาผิดเอาถูกแต่ถ้าเกิดเราวางเหตุผลเนี่ย มันก็อยู่กันได้อยู่กันด้วยอารมณ์ฝวามรู้สึกว่าเหตุผลบางทีเป็นเรื่องถูกเรื่องผิดบางครั้งมันก็ไม่ใช่แล้วก็เรื่องความปัญนาดียังไม่พอเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยคนเราชอบให้กําลังใจคนป่วยสู้ๆบางทีคําพูดดีก็เป็นคำพูดไร้สาระนะอาตมาเมื่อก่อนก็ชอบสู้ๆแต่ตอนหลังเฮ้ยฟังอาจารย์พูดแล้วรู้สึกว่าสู้ๆเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่ดีหรอกพ้องดีคนไอ้คนป่วยคนที่เขาผิดหวัง คนที่มีปัญหาชีวิตเนี่ยมันก็สู้จนมันจะสู้ไงแล้วเหมือนเราไปดูถูกเขาอีกว่ามไม่สู้เหรออ่อนแอบางทีกัสาระถ้าเราฟังธรรมเนี่ยเราก็เกิดปัญญาก็นําสิ่งดีไปใช้ได้ทีหลังเราเจอใครให้กำลังใจเราก็อย่าไปพูดคาว่าสู้สู้เขาต้องการความรักความเป็นเพื่อนมากกว่าทำให้อหลายเรื่องเราไปใช้ได้ถ้าเราพิจารณาเป็นถ้าพิจารณาไม่เป็นเอาไปใช้ไม่เป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฟังธรรมก็ แล้วก็ผ่านไปฟังหูซ้ายสรู้หูขวาไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยบางทีก็ใกล้เกือกินด่างอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดคำสอนครูบาอาจารย์มีประโยชน์ถ้าเราพิจณาเป็นใช้ดับทุกข์ในชีวิตได้ทําให้เกิดปัญญาได้เพลงโลกนี้คือละครเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีเนี่ยมันมีหลายท่อนนะที่ว่าอย่างชี้คนเราเนี่ย มันเหมือนกับฉากที่ว่าเปิดม่านไงพอเปิดม่านเนี่ยโอ้โหแบบฉากอลังการไงแต่แล้วก็ต้องจบลงด้วยความเศร้าคือปิดม่านเนี่ยเราสังเกตคนเราจะตายความตายมาถึงเนี่ยเราไม่สามารถเลือกได้เลยนะว่าจะตายดีบางคนก็ตายอย่างสงบตายสถานที่หน้าตายตายด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีลูกหลานห้อมล้อมบรรยากาศอบอุ่นแต่บางคนไปตายที่ไม่ดีไงเกิดอุบัติเหตุบนถนนบ้างตายที่ตัวเองไม่ชอบตายตายในที่เราเลือกไม่ได้อ่ะ เหตุต่างๆเนี่ยเป็นสิีเกิดขึ้นได้ทุกขณะเลยเราประมาทไม่ได้บางคนก็ป่วยตายตายแบบทุกข์ทรมานไม่มีใครตายสุดอับสมหวังหรอกแม้ตายแรงเลือกไม่ได้เลยอันล่าเพิ่งอ่านข่าวมาอยู่ข่าวหนึ่งอ่าแล้วสลดใจนะมีพระแทงกันที่วัดบางไทรแถวบางกรวยเหตุการณ์เพิ่งเกิดนะคือพระแทงกันเรื่องอะไรรู้ไหมาโยมแทงกันเพราะเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกเสียงสวดมนต์ไปสวดพิธรรมแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งมันแบบเป็นบ้ายอ่ะนั่งแบบเอาเปียบเพื่อนอ่ะไอ้เพื่อนที่ปวดเสียงดังก็เข้าไปต่อว่าไงอพอต่อว่าว่ากๆหลายหลายครั้งก็เกียดขี้หน้าเกียดขี้หน้าปุ๊บก็ ก, กายเป็น อ, อาฆาตไอ้พระรูปที่ถูกต่อว่าเนี่ยที่ไม่ออกเสียงสวนมนต์เนี่ยก็ถือมีดเลยมีดยาว5้านิ้วได้จังหวะก็ไปแทงพระที่ต่อว่าเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงก็ตายนะแต่ก็เข้าห้อง icu ไอ้พระรูปนี้ก็โดนจับศึกติดคุกไปเสียอนาคตเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเราเป็นพระเราต้องเมตตาต่ อ, อ ก, กันบางที เราไม่สนิทกับใครเนี่ยเราไปว่าพูดกัเขาไม่ได้นะถ้าสนิทกับล้อเล่นได้ต้องระวังตรงนี้ด้วยบางทีเพื่อนๆ เ, เราไม่รู้นิสัยใจคอเป็นคนยังไงกันแนะ่บางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถือบางคนสนิทก็คุยเล่นคุยหยอกล้อไม่โกรธนะบางคนเนี่ยพูดผิดหูคําเดียวมันเอาเรื่องถึงตายก็มีนั้นจิตใจคนเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนยังไงบางคนก็มีเมตตาลักหมาลักแมวเมตตาช่วยคนรุ่นนี้บางคนก็เห็นกับตัวใจแคแขบขดร้ายทารุณก็มี ทุกคนก็อยากฝึกตัวเองบางทีพื้นจิตมันมอม่งั้นแะทุกคนถึงต้องฝึกไงมาฝึกให้เป็นคนดีให้ออกจากกองทุกต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันแต่เราก็ไปที่เดียวกันได้อยู่กันได้เราจะใ ห, ให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนเมตตาเป็นคนใจดีไม่เห็นกั่ตัวทุกคนไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยพื้นของจิตมันไม่เหมือนกันมาจากคนละที่ความรู้สิ่งแวดล้อมสังคมนิสัยใจคอไม่เหมือนกันบางคนก็พูดจาแบบอ่อนน้อมถ่อมตน บางคนก็ขี้คุยบางคนก็ข่มเพื่อนบางคนก็แบบเาบคารพครูบาอาจารย์หรือศรัทธาเยอะแยะหมดแต่ละคนทีศสายต่างกันไม่เหมือนกันเราก็อยู่กันมาาสุขได้ถ้อยทีถ้อยใสยกันทุกคนก็มีบทบาทเหมือนตัวละครเลยแหละตามบทเข้วไปเพราะโลกนี้คือละครแล้วก็ตายจากกันหมดก็ถือปิดฉากอันมาผู้ธรรมมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุข มีความเจอทญทยิ่งขึ้นไปเอวัง